ถามได้นะใช้ไม้ถามเจ้าบอสคือกาที่ว่าเราจเจริญศินกุศลนะะเจ้าบอท่านเป็นภริยาบุคคลนียไม่ต้องพูดถึงบุรุษชนอย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านพระมหานามานี่พระบรมศาสดาแ ส, สดงที่นิโคทารามท่านพระมหานามาเป็นภริยาบุคคลทีนี้ชีวิตของท่านน่ะจะต้องบริหารงานต้องอะไรต่างๆกิเลสก็มาแทรกท่านเป็นระยะเหมือนกันใช่ไหม ท่านก็ทเรียนถามพระบรมศาสดาบอกว่า wow. ก็เนี้ยตอนเนี mm ้ย hmm. มันราคะมาครอบงมจิตใจบางครั so ้งท <the> ่านก็เผลอเลอบ้างเนี like ้ยในขณะที่เผลอเลอเบียเศ็จเหล่านี้ถามบอกว่าแล้วคติของท่านจะเป็นยังไงเนี่ยจะเสียหายไหมท่านจะมีทุกขติปลายขวาจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์ราชาล์ไหมจะเกิดเป็นเปรตไหมสุรกายไหมเป็นต้นเงี้ยพระศาสดาก็พยากรแ์เลยดูก่อนมหานามคติของเธอจะไม่ตกต่ําเพราะ เธอถอนราคาโทรศโมหะที่เป็นเหตุให้ลงอบายภูมิได้แล้วฉะนั้นอาจจะมีการเผยภายบ้างเป็นเรื่องปกตินี่นะแต่ท่านเป็นพระอริยะบุคคลนี่จบเลยนะตรงนี้นะแต่ถ้ายังยอมสิริพรยังเป็นบุรุษชนค่ะปัญหาที่จะถามเออแล้วยมจะไปไหนแะ้วเจ้าค่ะอย่างเงี้อ๋องาะสงสยนะัยคงต้องเป็นอบายหรือปเปล่าอเสรอทีนี้นี่ประเด็นก็แต่นี้เราถามทุกๆคนเลยทีเนี้ย เอาที่นั่งกันอยู่ตอนนี้ใครบาปเกิดบ้างอ่ะการมาชันท้เกิดไหมยินดีเพลิดเพลินเห็นผ้าก็สวยเห็นไฟก็สวยเห็นอะไรต่างๆก็ติดห้องมีความกำหนัดมีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีมอันนี้อันนี้นนกิเลสเกิดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่บุญนะแล้วขัดเคืองไหมไปเจอห้องบางเหนน้ำไม่ค่อยไหลบางไฟไม่ค่อยติดบ้างขัดเคืองไหมอันนี้โทสะเกิดแล้วอีกนะ แล้วก็ร่มหลงโดยไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ทําปัญญาเกิดขึ้นอยู่ไหมแล้วก็ทีน้มิทะเกิดไหมตอนเนี้หดหูท้อถอยซึมเศร้ง่วงเกิดไม่เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมเป็นอกุศล้ววิจิกิจาลังเลสงสยัยยังไม่รู้จักตั้งชีวิตยังไงดียังไสงสัยว่าไม่จะเอาอยัางไงเนี่ยทางทำก็ดีทางโลกก็สวยเนี่ย ใช่ไหมงานก็เยอะใช่ไหมกลับไปยังศาสตร์างยังไม่เจบอีกยังสงสัยพระธรรมคาสอนของพระศาสดาไ ม, ไม่กล้าปักใจลงไปอย่างแท้จริงอะ่ะไปไปเหยียดทางสองทางอยู่นั่นแหละนี่จะเอามาจริงๆรมืก็ยังกังวลอยู่เนี่ยไม่กล้าจะปักใจเชื่อพระศาสดาร้อยเปอร์็นเป็นไหมเป็นไม่เป็นเป็นใช่ไหมมันอุดทะเจาะฟุ้งซ่านต่อใช่ไหม ไอทีตัวสุดท้ายนี่เธอเอาวิชาไม่รู้ไอความมืดบอดของของตาคือปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดก็บอดเป็นใช่ไหมเอาแหละแต่เนี้เป็นประเด็นมนอยู่ตรงไหนหนึ่งถ้าเกิดความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือขัดเครื่องนะกหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือขัดเครื่องนี่นะถ้าไปล่วงละเมิด กรรมบวจะส่งผลในปฏิสนธิการล่วงละเมิดกรรมบทแปลว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าไปยินดีสิ่งของพันธะของบุคคลอื่นใช่ไหมชอบใจยินดีแล้วก็คิดเธอจะเอามาเป็นของตนเองแค่คิดเนี่ยนะปรารถนาจะเอาของนั้นมาเป็นของตนเองไม่ได้เอาจริงนี่นะใจมันไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกล่วงกรรมบทชขัดเครืองเหมือนกันคิดทําลายเขาาเงี้ยเป็นพยาบาทเนี่ย แค่คิดทำลายเขาเนี่ยนะให้เขาวิบัติเนี่ยอันนี้เป็นพยาบาทนี่ร่วงกรรมบทนี่ลงอบายภูมิถ้ากรรมนี้ให้ผลลงอบายภูมิแต่ถ้าไม่ไม่คิดทำลายเขาวิบัติเพียงน้อยใจเล็กๆน้อยๆเนีย่ยอันนี้ไม่ร่วงกรรมบทกรรมเหล่านี้จักไม่ส่งผลในปฏิสนธิการแต่จะส่งผลในประวัติการก็ทำให้อะไรเสียหายตามมาทั้งๆเกิดแล้วเนี่ยนะ นั่นก็ต้องรู้สิต้องรู้เหตุตรงนี้นั้นที่เราไปกล้าโกรธกล้าโลภกล้าหลง ต, งต่างๆเพราะเราไม่รู้เหตุไม่รู้ตัวเหตุแล้วก็ไม่รู้ผลถ้าเราจะนั่งรถจากนี้เราจะไปลุมพินีเนี่ยเรารู้บางทีนะว่าเป้าหมายคือลุมพินีถ้าคนละเอียดหน่อยก็จะสามารถรู้เลยว่าเส้นทางที่จะไปถึงลุมพินีมีอะไรบ้างผ่านเมืองไหนบ้างปุ๊บปุ๊ ป, ป, ป, ป๊ไปตามลาดับแล้วไปไปออกชายแดนออกเนปาผ่านจากเนปาลเนบาลีแล้วก็เข้าถึงลุมพินีพักที่โรงแรมอย่างเงี้ย มันก็กำหนดได้ชัดเจนแล้วเาเรียกว่าคนรู้เหตุแล้วก็รู้ผลและอย่างเราเวลากําลังสร้างเหตุปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ผลข้างหน้าเพราะเราไม่ชัดเจนในเรื่องเหตุกับผลไงปัจจุบันเนี่ยเร า, าเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่รู้เหตุอดีตทําอะไรมาใช่ไหมเพราะศึกษาคําสอนของพระเจ้าไม่ละเอียดแล้วกําลังทําเหตุปัจจุบันอยู่ที่ออกมาทางกายทางวาจาและจิตใจเนี่ยตอนนี้กายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมกระแสะจิตใจนะั้นสะอาดไหมเป็นไบกักกุศลไหม พอไม่รู้เหตุตรงนี้ว่าแล้วเหตุที <t <t ่ทำน่ะเป็นไปกับกุศลศีลข้อไหนเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลสังวรนาวิติกรามเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าการลักการบูพิดผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพรื่เจ้อต้กุศลศีลก็เหมือนกันมานั่งแท่นในใจเลยคอยห้ามตลอดถ้าบาปอกุศลธรรมอันลามงจะเกิดขึ้นมาก็คอยตัดเวลเจตนากุศลเวลาจิตคิดจะฆ่าปุ๊บไอตัววิรตีก็เข้าไปตัดปุ๊บให้ ละการคิดอย่างนั้นดันดีก็ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายที่จะไปฆ่าถ้าคิดจะไปลักไปหยิบไปฉวยของคนอื่นไอตัวเวรัเจตนากุศลเนี่ยนะวิรตีก็มาตัดรอนปุ๊บตัดตัดหลายๆครั้งเลยถ้าตัดไม่ไม่ไม่ยอมหยุดตัดอยู่นั่นแหละแตเขาก็ไม่ล่วงละเมิดอย่างเงี้ยหรือคิดจะไปภาคลูกภาคเมียภาคบุคคลอื่นของเขาไอตัววิรตีก็ไปตัดเวรัเจตนากุศลตัตลอดตัดครั้งนึงอะไม่อยู่ตัดใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่อย่างเงี้ย หรือคิดจะพูดเท็จพี่จะพูดสอเสียดคำหยาบแล้วเพื่อเจือไอ้โจววิรตีก็มาตัดตัดตัดถามว่าแข็งแรงอย่างนี้ไหมกุสรศีลเราแข็งแรงแบบนี้ไหมทำท่าหรือคิดจะโลภก็ตัดคิดจะโกรธก็จะตัดคิดจะง่วงก็จะมีตัวเนี้ยมาตัดตลอดเลยอันนี้คิดจะง่วงพูดนานเกินง่วงดีกว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ เข้าใจใช่ไหมเดนเนี้ยเราไม่มีตัวนี้ไงถามทําไมจึงไม่มีตัวกุศลศีลอะไรเป็นเหตุการ์ฮิลิออตปาเพราะไม่ละอายบาปเพราะไม่เกรงกลัวบาปไงเพราะไม่รู้จักเหตุผลไงว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาตนเองจะไปเดือดร้อนในอนาคตอัในใกล้เนี่ยก็ยังไม่รู้อีกได้สํานวนก็คือว่าใช้ไฟเนี่ยจุดใช่ไหม แล้วก็เลอเอาไปจุดใกล้ๆน้ำมันด้วยแล้วก็ใกล้บ้านตัวเองด้วยยังไม่รู้อีกว่าไฟจะไหม้บ้านมันจะวิบัติกันทั้งบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนเนี่ยเห็นไหมไม่รู้เหตุไงว่ากำลังทำเหตุอะไรแล้วผลมันจะเกิดขึ้นยังไงในอนาคตซึ่งผิดกับบางคนไม่ไหงที่จะเดินทางเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอยู่นี่สามคืนยังไงที่เออสามคื น, นะถูกแล้ว พระพุทธองค์นี้คองเชื่อหายง่วงเนาะได้อยู่ได้เนี่ยเราจะได้เพราะในในสาวถีเนี่ยพระบรมศาสดาสแสดงพระสูตรมากที่สุดเรามีเวลาอยู่แค่สองวันง่วงานเนี่ยมีโอกาสฟังพระสูตรได้ไม่ถึงสิบเรื่องอย่างดีได้แค่สมเรื่องนี่ก็โอเคแลสามสเรื่องแค่นั้นเองจริงๆคนมาอยู่สักสมเดือนหนึ่ง ถึงจะจบถึงจะได้เก็บรายละเอียดพระสูตรได้เก็บเรื่องราวได้รายละเอียดสำหรับผมถัทาร้อยเอร์ครับแต่แต<ๆ>ว่าผมไม่เคยจากบ้านมานานๆคราวนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ขณะที่กาลังนั่งภาวนาถึงพระพุทธเจ้ามันก็จะกลับไปบ้านฮะกลับไปบ้านพอระนึกได้เอ้มันไม่ถูกก็ดึงกลับมาใหม่ไม่จะเป็นอย่างนี้ครับมรราา แกยังไงครับอ๋อวิธีแก้ใช่ไหมก็วิธีแก่ก็คือว่าคิดถึงบ้านหรือคิดคนคิดถึงคนที่บ้านฮ <c oughs> ะคิดทั้งสองส่วนเลยเนาะทีนี้ถ้ามันคิดในลักษณะอย่างนี้แบบว่าคืออัทยาสัยของเราเนี่ยนยของของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนนานก็จะยึดติดที่ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเราคิดทุกวันว่าเรามีบ้านเรามีบ้านเรามีบ้าน ยอามองคลเคยไปถามบ้านมันคิดถึงเราไหมมันไม่เคยคิดเลยใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องด้วยแล้วไปยึดเองวันบ้านเราเราไปยึดเอ ง, นนเเเองขนาดเรามาอยู่ที่เนี่ยแล้วยังบอกว่าห้องเราไม่นานเลยนะห้องเราไปแล้วเชื่อไหมเนะี่ยสีที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากบุญของเรานี่เนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยเกิดจากบุญของเรานีเนี่ยกลิ่นที่ได้รับทั้งหลาย ถ้าเป็นสีที่ดีเป็นเสียงที่ดีเป็นกลิ่นที่ดีเป็นรสที่ดีเป็นสัมผัสเย็นร้อนที่ดีใช่ไหมอันนี้มันเกิดจากผลบุญแต่ถ้าเป็นสีที่ไม่ดีเป็นเสียงที่ไม่ดีเป็นกลิ่นที่ไม่ดีเป็นรสที่ไม่ดีเป็นสัมผัสที่ไม่ดีนี่เป็นผลของบาปถามว่าสีเหล่านี้มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไหมเสียงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามแลวสีคนมองไม่เหมือนกันด้วยนะคนละสีด้วยนะเนี่ย คำว่าคนรสีในทีนี้เพราะว่าไอคนหนึ่งไปมองไอสีอ น, นั้นก็ดับไปแล้วสำหรับที่เป็นผลของคนคนนั้นอีกคนนี้ไปมองใหม่มก็เป็นสีใหม่เพราะสะภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกมันมีการแตกดับอยู่ตลอดเวลาโยมศาสตว์โลกก็ไปยึดสิ่งที่มันแตกดับอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของเราคืออย่างนี้นะว่าจิตนี่เกิดดับเร็วไหมเร็วกฟ้าแลบเร็วกฟ้าผ่า อาเปางั้นไหมด็อกเตรที่พอดีตาหูจมูกเล้นกายใจแตกดับเร็วไหมเร็วกว่าฟ้าผ่าเวลเร็วกว่าฟ้าแลบแป๊บแป๊ไปเร็วกว่านั้นอีกเยอะถามบอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งที่ไม่รู้ข้อมูลตามความเป็นจริงมีสตรีผู้หนึ่งที่ไม่รู้ข้อมูลตามความเป็นจริงไปยึดฟ้าแลบว่าเป็นของของเราไปยึด ฟ้าแลเป็นของของเราไปยึดสีนั้นว่าเป็นของเราเสียงนั้นว่าเป็นของเรากลิ่นนั้นเป็นของเรารถนั้นเป็นของเราสัมผัสเย็นร้อนเป็นของเราความคิดนึกนั้นเป็นของเราทั้งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกดับไปหมดแล้วแล้วมันก็สืบต่อมาฉลาดหรือไม่ฉลาดไม่ฉลาดก็คิดใหม่ว่าทุกอย่างมันแตกดับไปหมดแล้วยอมมงคลที่อยู่ลุมินีตายไปแล้วยอมมงคลที่อยู่บนรถตายไปแล้ว ยอมองคกนที่อยู่ในห้องเมื่อสักครู่ตายไปแล้วตอนนี้มานั่งตรงนี้ไม่ใช่มันมันสืบต่อคำว่าแตกดับเนี่ยคือมันเป็นไประบบการสืบต่อมันสืบต่อมาแค่นั้นเองแต่มันเหลือแต่ความยึดติดของเราแค่นั้นเองที่เราเที่ยวไปยึดสารพัดเนี่ยไปยึดฟ้าแลบเป็นของเรารอะยมไปยึดฟ้าแลบแป๊บแป๊บปแป บ, แปบมา มันหมดไปแล้วก็ยังมายึดอยู่นั่นแหละยึดกระจำว่าลูกเราแฟนเราบ้านเราทราบเราก็ยึดไปตาเราหูเราจะบุกเราตาสมัยเมื่อตาเมื่อวานนี้หายไปไหนหมดไปหแล้วคือสรรพสิ่งมันแตกดาบอยู่เนี้ยทั้งภายในและภายนอกมันเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่เนี้ยเอาสิพระษาสดาเนี่ยก็คล้อยตามพวกเร า, าสัตว์มีบุคคลมีพ่อมีแม่มีใช่ไหม แต่ว่าจริงๆไม่มีอจากเหตุปัจจัยนะให้เข้าใจชัดเจนนะถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยชีวิตมันจะได้ไม่ยึดติดเยอะถามว่าทําไมถึงอะไรอวอรตรงนั้นเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเนี่ยลองคิดใหม่ที่เนี่ยเดี๋ยวก็จากแล้วจะยึดไหมที่ตรงเนี้ยไม่ยึดหรอกเพราะเดี๋ยวเราก็จากไงเพราะเราไม่คิดว่าเป็นของเราจริงๆใช่ไหมแต่ไปคิดว่าบ้านน่ยเป็นของเราจริงๆ เอางี้เงินทองรัะตะนาะชาติแก้วแหวนทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาใช่ทรัพย์สมบัติของเราะที่แท้จริงว่ะเป็นของชั่วคราวบางทียังหายใจอยู่มันก็หายไปแล้วไม่เป็นของเราแล้วอะไรคือเป็นของเราจริงๆสุจริญกรรมและทุตจริญกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายที่จะตามสัตว์ทั้งหลายบุญและบาปหรือสุจริญกรรมและทุตจริญกรรมเนี่ย มันจะตามกระแสชีวิตไปทุกชาติตราบใดปไม่ปรินิพานนะมันตามเล่นไอตัวสุดเจต็กรรมก็ตามอุปรถรรมโทุเจริต็กรรมก็ตามเบียดเบียนและทำลายแค่นี้เองเ่ถ้าเข้าใจบริบทของชีวิตนี่นี้ก็จบเล ย, ยคืออย่างนี้เอามาบอกไว้แล้วไงว่าทำงาน สอนหนังสือใช่ไหมบางคนใช่ไหมสอนหนังสือบางคนก็ทํางานธุรกิจโรงแรมบางคนก็ทําอะไรก็ว่ากันไปเถอะใช่มหมยมสุวรรณก็ทําอสังหารืมมาซับนี่ไหมก็ว่าไปทำทำทำทำถ้าลองคิดว่าที่เราจะทําและจะได้ทซั์มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้บุพเพเจนาแข็งแรงไหมก็จิตคิดจะให้เราจะให้พ่อให้แม่ ให้บุตรให้ภรรยาให้พระรัตนาไตรก็คือจะให้อะที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เราจะสละอันนี้เป็นแล้วเริ่มตั้งอัธยาศัยเป็นแล้วมั น, น, นเนี่ยน้ําเนี่ยอนี่วัตถุใช่ไหมไอ้ของฝากก็คือเนี่ยสีมีสีไหมมีเสียงด้วยใช่ไหมมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีโอชาใช่ไหม ม, มีอารมณ์หกอะ่ะก็คืออารมณ์หกอะแต่เรียกชื่อต่างกันบัญญัติ น, นี่เรียกว่าแก้วอันนี้ก็เรียกว่าไฟฉายนี่ก็เรียกว่าไม้นี่เรียกเก้าอี้ก็บัญญัติกันไปสิแท้จริงก็คือสีเสียงกิริยสัมผัสและทำอารมณ์มีอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ย น, นี่คือวัตถุแต่ท่านขับเน้นตัวนะถ้าจิตคิดให้เจตนาแล้วเป็นไปกับโลภะเปล่าซื้อให้ลูกลูกใย่รักเรา ลูกเราเราต้องซื้อให้หน่อยอันนี้มันเจตนาเป็นบุญจริงหรือไม่มันเป็นบุญจริงไหมเราจะให้ทานเห็นั้ยจิตที่คิดจะให้เป็นกุศลเป็นเจตนาเจตนานั้นเพราะอะไรถ้าเราไปยึดติดมากเนะี่ยโลภะมันเกิดแล้วความตนหนีมันจะ ห, นห่วงแหนนั้นตัวเจตนาไปกระตุ้นอโลมหะให้มีกำลังคุยความไม่โลภให้มีกาลังมากขึ้น ไปกระต้นอโทสะคือความไม่โกรธที่มีกําลังมากขึ้นโดยเฉพาะไปขับเน้นตัวอโมหะให้ได้ตัวปัญญาให้ได้ทําปัญญาให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมให้ให้ตัวนี้ชัดขึ้นมาว่าเรากําลังจะเจริญกุศลกรรมในการมาเจริญกุศลกรรมเดินตามรอยบาทรพระศาสดามาบําเพ็ญทานบา ร, รมีเพราะเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วย เจตนาทานเหล่านี้วัตถุทานเหล่านี้อโลภาทานเหล่านี้ววรติทานเหล่านี้ใช่ไหมมันเข้าใจบริบทของการเจริญกุศลชัดแล้วแต่เนี้ยเห็นไหมว่าจิตคิดจะให้ตลอดแล้วน่ะเข้าไม่ใช่คิดจะให้ธรรมดามันเข้าใจกรรมว่าทำไมเราต้องเจริจรญกุศลกรรมอย่างนี้เพราะเราเห็นวิบากของกุศลกรรมอะไรมันจะไปทาลายอะไรเอา้าเจตนาทานมันจะไปทาลายความโลภมันจะทาลายมัชฉริยะ ก็เราต้องการจะทําลายตัวเนี้ไอตัวติดข้องทั้งหลายเห็นป้าก็ชอบใจเห็นป้าก็ชอบใจอาจารย์มหามท่านท่าบอกว่าสละที่เนี่ยเห็นไฟเห็นอะไรทําไมไม่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาซะแล้ความโลภจะได้ไม่กล้าใช่ไหมมีโยมอยู่คนหนึ่งพอพูดไปเสร็จโอ้ยโยมยกบ้านถวายเป็นพุทธบูชาเข้าใจแล้วว่าเราเป็นลูกเราใช้สอยได้อยู่ทำไมจะใช้ไม่ได้ แต่เราจะไม่ใช้ด้วยความโลภอีกแล้วเพราะเราถวายเป็นพุทธบูชาเรียบร้อยอยู่แล้วบาคนติดงเงื่อนไขขายมาสมบัติพ่อเลยวะโอ้ยดูไปคิดอะไรขนาดนั้นข้าใจยังไม่ชีชัดเจนนะนี่เขาเรียกคนฉลาดคิดเพื่อไม่ต้องการให้จิตไปยึดติดแลวหวงแหนอนเยินมไปเพราะคนที่เป็นระดับพระโสดาบันเนี่ยชัดเลย ที่จะไม่มีกล่าวอะไรต่างจากภาษาสดาเลยและอย่างหนึ่งคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยทำลายเลยสักะยะทิฏฐิวิจิกรยาสีและประับประมาทตัวที่พระโสดาบันทาลายได้คือตัวไหนรู้ไหมมัจฉริยะจกไม่มีมัจฉริยะเลยแค่นี้เราก็ตรวจสอบได้เลยไหมถ้าคนไม่มีมัจฉริยะเลยถ้าเดินเดินไปเนี่ยไปขออะไรท่านเนี่ยให้หมดแค่พระโสดาบันแค่นะี้ให้หมด พรท่านไม่เห็นไปเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าเป็นนามรูปท่านเข้าใจแล้วเป็นความเห็นท่านบริสุทธิ์ไปหมดแล้วท่านเห็นเป็นดินน้ำใบลมสีเกล็ดรถโอชาธาตุท่านเข้าใจท่านจึงไม่ยึดติดเลยเพราะตัวมัชชริยะถูกทํำลายตูมและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านไม่มีฤทิ์ยาไม่มีความดนันีท่านจึงไม่ขัดแย้งกับใครพระโสดาบันไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เคยจะไปว่าใครไม่เคยจะตําหนิใคร ท่านจึงไม่ขัดแย้งกับใครพระโสดาบันไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เคยจะไปว่าใครไม่เคยจะตาหนิใครนั่นคือกิริยาแค่นี้ถ้าเราในรายละเอียดไม่ไม่ไม่อยากจะตามลงไปในรายละเอียดเยอะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าขนาดพระโสดาบันอย่างนี้พระสกาทาอนาคาไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมแค่มัชฌิยะตัวเดียวนี่ก็รู้แล้วแล้วอย่างนี้นถ้าอย่างเราถ้าทั้งหลายประกาศ ทำไมมาใช้คําว่าอัจฉติยะตเคปานุเปยตังพุทธัทงสัตนังกจามีธรรมังสัตนังกะจะสรังคังสัตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทเจ้าก็ถึงพุทธเจ้าเป็นสัตว์เป็นเครื่องกําจัดภัยตลอดชีวิตใช่ไหมใช้คําว่าตลอดชีวิตใช่ไหมถ้ามีใครเอาดาบมาจะตัดศีรษะบอกว่าเอาให้พูดพุทธเจ้าไม่เป็นพรุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นพรธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์ถ้าอย่างเราถ้าศรัทธาจริงๆก็ยังกล้าเลย ที่ประกาศตนถึงสาธารณาคมเถ้าไปเจอปัญหาอย่างนั้นนี่ยจะร้องเรียกพระพุทธเจ้าเหมือนจะตั้งมั่นในพระราตนาตรัยได้จริงไหมอันนี้วัดกันเลยเขราใจว่าถ้าคนที่แนบสนิทกับพระราตนตรายจริงจริงเนะี่เขาเขาไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นหอกไม่ใช่ว่าโอ้ยร้องเรียกใครก็ไม่รู้ไปทั่วหมดเลยขนาดเขาจะหกล้มแต่ทียังอุทานเป็นชื่อพระศาสดาของเขาเลยใช่ไหม ในสมัยพระพุทธการนะ่ดูสิขนาดว่าสะดุดอะไรล้มอะ่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระนา้ันทีเลยอะ่ะตกใจจะหกล้มหรือว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นอุทานเป็นพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นนหะเขาแนบสนิทอย่างนั้นเลยนั่นแหละเขาเลือกฝังแน่นกับพระรัตนตรยัยเขาจใจอย่างเดียวนี้นี่เป็นอย่างนี้ ก็้องบอกเขาแนบสนิทอย่างนเพราะใจเขาจะคิดทำได้ขนาดนั้นได้ยังยังใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อันตรายถ้าไม่แนบสนิทยอย่างนี้นะเข้าใจใช่ไหมต้องแนบสนิทชนิดที่ว่ามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็คือพระาศาสดาเรามีสระเรามีเครื่องกำจัดภยัยเกิดความขนพองสยองกล้าวขึ้นมาเขาจะคิดถึงพระาศาสดา ความกลัวก็จะหายไปเข้าใจย่างเขามีพระรัตนตรัยเ้าแนบสนิทกับพระรัตนตรัยเขามีสาระเดียวเท่านั้นคือพระรัตนตรยัยเขาไม่มีอย่างอื่นเขาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็โทไปหทุกใจเกินไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมาปลอบใจเราหน่อยสิอันนี้แปลว่าพระรัตนตรัยมั่นคงั้ยไม่มั่นคง ม, มันม่นคงยังยอมเชื่ออะไรได้ชื่อจริงเออชื่จริงมั่นคงกับประธนไตรยังสี่สิบห้าสิบหกสิบเกิน โ, โอ้น่าชื่นใจเอาใครเกินแปดสิอร์ยกมือหน่อยที่มั่นคงกับประธนตรยอยากเินโอ้สาธุเลยโอ้ยไ อ, อ้ที่ ไม่เป็นเรื่องปกติการคิดถึงคือก็ในลักษณะว่าก็ต้องมีการคิดบ้างอะไรบ้างแต่คิดแล้วให้คิดแบบปัญญาอย่าไปห้ามความคิดมันห้ามไม่ได้หรอกไอการห้ามความคิดเนี่ยมันมันผิดปกติแต่พอคิดเบรศเสร็จปุ๊บแล้วเราจะคิดอะไรต่อขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกมีใจเบิกบานนอมไปอย่างงี้ให้เมตตาเขาขอให้เขาได้กุศลที่เรากระทำทั้งหมดนะเงี้ยคิดไปเถอะ ไม่เป็นไรแต่อย่าคิดไปแล้วก็วิตกกังวนเดือดร้อนกุ้มอกกุ้มใจเสียใจมีใช่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ๋อมันก็แล้วแต่ว่าข้อมูลแค่ไหน <ừ. S 1> บางคนติดปากธรรมดาแค่นั้นเองแต่ไม่ไม่มีอะไรมากแต่บางคนเขารู้จริจรงๆว่าพระัตนตรัยคืออะไรคำว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยอะไรคือภัยเกิดคือภัยแก่คือภัยเจ็บคือภัยการตายความโศกความลำลายลาพัน หรือภัยทั้งหลายต่างๆที่มันถมเข้ามาในกระแสชีวิตนั้นเป็นภัยพระศาสดาเป็นเครื่องกําจัดภัยพระธรรมเป็นเครื่องกําจัดภัยพระสงฆ์เป็นเครื่องกําจัดภัยพระศาสดาเป็นเครื่องกําจัดภัยก็คือให้เรากลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ย้อนเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เครื่องขูดใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่รู้เลยอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดว่าพระนิพพานเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตื้นไปแห่งวัฏทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่ทราบ พระศาสดาก็มาบอกเราบอกมาทั้งนี้จะเดินทางนั้นมันจะตกนรกมันจะลงกบายภูมิพระศาสดาก็ให้เดินกลับมาอย่างนี้พระศาสดาจึงเป็นเครื่องกระจัดภัยให้กับเราอย่างนี้เมื่อเรามาแสดงธรรมนะแสดงธรรมเบีเสร็จเนี่ยแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสามารถหลุดออกจากโคลนตมต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ใช่อามาเป็นคนดึงขึ้นมานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงแต่ผ่านอามาเท่านั้นเอง มาอยู่ในฐานะว่ากล่าวความดีนะมาบอกว่ากล่าวพระธรรมทําทให้เราลุกขึ้นได้แต่ผู้ที่ชุดเราขึ้นจากลมคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องกําจัดภัยชัดเจนไหมส่วนพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดภัยก็คือทําให้เราพ้นจากกันดานอะไรคือกันดานชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานหมนะกันดานแล้วก็สังสารวัตเป็นกันดานพระสงค์เป็นเครื่องกําจัดภัยก็คือทําสักการะแม้น้อยนิดให้มีผลมากมีอนิสงส์มากก็เ้อะแยง เนี่ยสถานะความพุทธะก็คือสภาวะที่ตัดสู้ธรรมะก็คืออริยสัจธรรมก็คือตัวตัดสู้เลยนีสภาพที่ตัดสู้เลยสังขาก็คือว่าสภาวะที่ตัดสู้ตามพุทธะพุทธะธรรมะสังขารวมเป็นหนึ่งก็คือสภาพที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเข้าใจย่างในพุทธังสนานังกฉามิธรรมังสนาังกฉามิสังขังสนานังกฉามิก็คือสภาวะที่ดับวัตทุก นั่นแสดงว่าเราต้องพิจารณาทำไมก็ว่าที่เขาอุทานเนี่ยเพราะว่าเขาติดปากก็ใช่า บ, าบางคนก็ติดปากก็ได้จะไปถามรู้จักพุโทโธไหมไม่รู้ขอบคุณครับจบหรือยังฮะง่วงหรือยังฮะกใจว่าอ่า มีเรื่องที่เราต้องนึกเป็นสาระไว้ให้มั่นคงแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้นึกไงเจ้าคะเพราะฉะนั้นการบรรยายของพระอาจารย์วันนี้เจ้าคะ่ะดีมากเลยเจ้าคะ่ะทำให้สะดุ้งกลัวภยัยใช่ต้อง<ล>กูราอจริงๆต้องฟังแน่นเลยเนะยถ้าอย่างนั้นเวลามีภัยเกิดขึ้นเราจะร้องเรียกใคร เราจะไม่มีสารณะเราจะไม่มีที่พึ่งเราจะอยู่อย่างคนหวาดกลัวไม่แนบสนิท ต, ต่อไปทาให้แนบสนิทในบรัชตนาไรัรมีวิธีเยอะนะข้อมูลนั่นๆัเดี๋ยวก็ได้พอได้ไปเสร็จไม่เห็นต้องกลัวเลยชีวิตไม่ต้องกลัวกราบอาจารย์เจ้านะค่ะคือไม่มีคำถามแต่อยากจะ อยากทราบความรู้สึกของพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่ท่านมาเยียบที่สาวัถีแล้วเนี่ยพระอาจารย์มีความรู้สึกเช่นไรจ๊อคะ่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับคื อ, ค, อคือมาทีไรก็เป็นอย่างเนี้ยเขานอนกันมาไม่ค่อยได้นอนกันมันเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งดีเดี๋ยวก็ลุ ไม่ได้ดีมากก็ น, นอนได้นอนได้มากร่วมเพียรได้นอนแต่ก็ไข้ควรอยู่นั่นเลยนอนก็ไข้ควรน้อมอบอุ่นนะหนึ่งอบอุ่นใจสองมีความสุขได้ม า, าไดาเป็น<า>ตั้งแต่ในรถหรือว่าลงมาแล้วเป็นก็ถ้ามาอินเดียก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยทุกที่เลยนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ว่า มันคงจะเกี่ยวกับข้อมูลด้วยนุ้เห็นตรงไหนก็เกิดเห็นตรงไหนก็เกิดเมื่อมามองมองมองพวกเรามาก็คิดว่ากระแสแต่ละชีวิตกระแสชีวิตแต่ละคนแต่ละคนมาก็เห็นว่ากําลังทํากรรมกําลังทํากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมกายสุจริตกายทุจริตหรือวจีสุจริตหรือวจีทุจริตมโนสุจริตหรือมโนทุจริตก็เข้าใจว่าเออท่านเหล่านี้กำลังประกอบกุศลกรรมและกําลังตั้งใจจะเจริญกุศล พลาดบ้างถูกบ้างพลาดบ้างถูกบ้า ง, างอามาก็เออเราจะนำให้เขาเข้าสู่เส้นทางนี่เท่าที่ความสามารถจะพึงมี ก, ก็ก็คิดอยู่อย่างเงี้แต่ในขณะเดียวกันทัานเกตดุไหมเมื่อเสร็จแล้วอามาก็จะหลบออกไว้เรื่องอามาก็ไปไข้ควนออกมาแวบบหนึ่งอามาก็ต้องขอไปหลบหลบซ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยเนี้ยต้องการอยากจะไปอยู่หรือไปไข้ควรวนแต่ในขณะเดียวกันพอเห็นพวกเราเริ่ม พอหยุดนำเมื่อไหร่ก็เริ่มคุยเรื่องอื่นกันไปแล้วมาก็เริ่มโอ้เขายังไม่แข็งแรงนะเลยมาก็คิดถึงถ้าคนแข็งแรงก็จะไม่เป็นแบบนี้เลยกรบขอบคุณกรับขอบพระคุณพระอาจารย์แทนหมูคนะ่คณะด้วยที่ <c oughs> พระอาจารย์ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์ห่วง<อ>ใยในแทบจะทุกจุดนะคะต้องเกลียดจุดนึงนะี่ยว่าบางทีนั่งรถมามาก็เริ่มเหลวเหลวดู โอ้ลับขึ้งคันรถด้วยนี่เล่าอย่างเงี้อ้เออบอลอ่ะเอพระอาจารย์บอกว่าตรงนี้มีภระริยาบุคคลถึง50ล้านใช่ไหมเจ้าค่ะเออบอลโยมก็เลยนึกว่าสมมุติว่าท่านที่นั่งเหล่านี้คือภระริยาบุคคลแล้วเราอยู่ท่ามกลางพระริยาบุคคลหมดเลยโยมตื่นเต้นมาเลยค่ะ นี่คือเนี่ยท่านทั้งหลายคือพระยะบุคคลทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามานั่งตรงนี้ยมตื่นเต้นทันทีเลยค่ะรู้สึกอย่างนั้นคือสมมุติ<า>ไร<ห>่วงเลยเนี่ยค <laughs> นะือ <laughs> คือการได้ได้เข้าใกล้แค่พระคันตกดีของภาศาสดาแล้วมามีผ้าผืนที่ไปนั่งเช็ดเช็ด มาเข้าใจว่าเราไปอุปถัมภ์พระศาสดาเอาผ้าไปเช็ดเอาของง้อมไปทําไปปัดไปกวาดไปนอบน้อมพระศาสดาฝ า, ากไว้ใช่ไหมว่าบริโภคเจดีที่สถาคตทรงใช้สอยจะเป็นศาสดาของเธอแลังการล่วงไปของเราถ้าไม่รู้ข้อมูลก็คืองงงายนะอย่าลืมนะแต่พวกเรามีข้อมูลจึงกระทําแบบคนไม่งงงง่ายเพราะเข้าใจพระธรรม ว่าพระศาสดาหยุดเป็นพระศาสดาในฐานะแห่งธรรมแล้วก็ชามทำตลอดทาด้วยความชื่นใจแต่ไม่ใช่ทาด้วยความงมงายไล่ข้อมูลไม่ใช่เลยมีข้อมูลแล้วก็ทํารู้เลยตัวเองอุปถามภ์พระศาสดาเหมือนพร ะ, ะนนเนี่ยพระนรนทรเนี่ยกลับจากที่นั่นเบสเซ็จเนี่ยมาเห็นว่าพระพระคานุกดีของพระศาสดาเนี่ยนั่นเบสเซ็จพระนนก็อุปถากดูเลย ร้องไห้ไปได้วยซ้ำไปตอนนั้ น, นว่านนยังจากพระเจ้าไปเมืองเดี๋ยววูเดี๋ยววันไปที่จะเล่ารายละเอียดว่าท่านบ้านนนทําำยังไงท่านภาษาลีบุตรทํำยังไงจะมาเล่าประกอบกันแล้วเราจะได้เห็นมันต้องไปอยู่ตรงพระคันภีกดีแล้วเล่าแล้วเราจะความรู้สึกเราจะได้ชัดที่จริงตรงนี้ก็น่าชัดด้วยซ้าไปใช่ไหมเพราะอันนี้ก็คือบริเวณเดียวกันนั่นเองบริเวณเดียวกันนั่นเองไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ต่างเลย เชนวันได้ท้ายจะพาเดินจากบ้านของอนาถาินทิกาเสถีเดินกันด้วยแล้วก็บรรยายเดินกันไปเรื่อยๆดู ค, นะด ค, รครูเมืองนะเดินคูเข้าคูเมืองเข้าหมู่บ้านไปนึ่นไปที่ปุปพาลามถ้าไปปุปพาลามมีเวลาเหลือมาจะแสดงคณ้ากาโมกคานาละนสูตรแสดงเรื่องพระบรมศา ส, สดาบอกว่า วิสาขาปุพารามของนางวิสาขาสร้างเป็นไปตามลำดับยังไงศึกษาตามลำดับกระทาตามลำดับอย่างไงและการจะเข้าสู่พระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาเข้ามาปฏิโมกสังวรศีลอินทรียสังวรศีลตามลำดับยังไงเขาเริ่มเป็นไปจากเบื้องต้นเข้าสู่สุดยอดยังไงนี่ก็เอาสูตรนั้นอาจจะสรุปประเด็นได้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าชีวิตไม่ลมหายใจไม่ขาดกันตั้ววันนี้ก่อน ก็ไปฟังทมกัน